พระมหาสัตตร์ตรัสว่า่าพระบาทชาวชนบทและชาวนิคมพร้อมใจกันให้ในประเทศหม่อมฉันผู้ครองราชสมบัติโดยธรรมจากเว่นแควน้นพระเจ้าสัญชัยตรัสว่าลูกรักจริงทีเดียวการที่พ่อให้ขับไล่ลูกผู้ไม่มีโทษผิดเพราะถ้อยคำของชาวสีพีนั้นชื่อว่าพ่อได้ทำกรรมอันชั่วช้า และชื่อว่าพ่อได้ทำกรรมเครื่องทำลายความเจริญแก่พวกเราพระศาสดาตรัสว่าขึ้นชื่อว่าบุตรควรช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ของมารดาบิดาและพี่น้องที่เกิดขึ้นเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ด้วยชีวิตของตนข้าแต่พระมหาราชเวลานี้เป็นเวลาสมควรที่จะสงสนารน ขอเชิญทรงชำระพระมนตินเถิดพระเจ้าค่าลำดับนั้นพระเวสสันดรราชทรงชำระล้างพระมนตินครั้นทรงชำระพระสรีระมนตินแล้วได้ทรงเพศสีขาวเหมือนสังพระเวสสันดรบรมมกษัตริย์ทรงสนานพระเกศาแล้วทรงสเสวตพัดอันสะอาดทรงประดับด้วยเครื่องราชปิลันธนาภร์ทุกอย่าง ทรงสอดพระแสนขันอันทาให้ราชปัจจามิตรเกรงขามสเสด็จขึ้นทรงพยาปัจจญนาคเป็นพระขชาทานครั้งนั้นเหล่าสหาชาติโยธาหารทั้งหกมื่นสวมสอดสัมภาวุิและประดับสัมภาพรล้วนด้วยทองเป็นสง่างามน่าดูต่างชื่นชมยินดีแวดล้อมพระมหากษัตริย์ผู้เป็นจอมทัพ ลำดับนั้นเราพระสนมกํานันของพระเจ้าสีพีมาประชุมพร้อมกันเชิญพระมาศีให้โสดสงด้วยสุคนทวารีแล้วทูลถวายพระพรว่าขอพระเวสสันดรจงทรงอภิบาลรักษาพระเม่เจ้าขอพระชาดีและพระกัญหาชินาทั้งสองพระองค์จงทรงบำรุงรักษาพระเม่เจ้าต่อไป อนหนึ่งขอพระเจ้าสัญชัยมหาราชจงทรงคุ้มครองรักษาพระแม่เจ้ายิ่งขึ้นไปเถิดก็พระเวสสัดนดรบ ร, ร ม, มกษัตริย์และพระนางมัตสีได้ดำรงในสิริราชสมบัตินี้ตามเดิมแล้วทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์ขณะที่เสด็จไปประทับอยู่ในป่าในการก่อนจึงรับสั่งให้นำกลองอานันทิเพรี ไปตีประกาศที่เวิ้งว้างวางเขาวงกฏอันเป็นรมนียสถานก็พระเวสสันดรบ ร, ร ม, มกษัตริย์และพระนางมสัสีได้ดำรงในสิริราชสมบัตินี้ตามเดิมแล้วทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์ขณะที่เสด็จไปประทับอยู่ในป่าในการก่อนครั้นได้ทรงประสบพระโอรสพระธิดาก็มีพระหฤลไทยปราโมท เกิดโสมนัดก็พระเวสสันดรบร ม, มกษัตริย์และพระนางมัสีผู้มีพระลักษณะได้ดำรงในสิริราชสมบัตินี้ตามเดิมแล้วทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์ขณะที่เสด็จไปประทับอยู่ในป่าในการก่อนและได้มาอยู่ร่วมกับพระโอรสและพระธิดาจึงมีพระหฤรุไทยชื่นชมยินดีปีติสมนั์ พระนางมาซีตรัสว่าแน่ลูกรักทั้งสองในการก่อนคือเมื่อพราหมณ์นำลูกทั้งสองไปแม่มีความปรารถนาลูกทั้งสองแม่จึงได้บาเพ็ญวัดนี้คือแม่บริโภคอาหารวันละครั้งนอนเหนือพื้นแผ่นดินเป็นนิดวัดของแม่นั้นสำเร็จแล้วในวันนี้เพราะได้พบพระลูกทั้งสองแล้วแน่ลูกรักทั้งสอง ขอความสมนัตอันเกิดจากแม่และแม่ที่เกิดจากพระบิดาจงคุ้มครองลูกอันหนึ่งเล่าขอพระเจ้าสรรชัยมหาราชจงทรงอภิบาลรักษาลูกบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่แม่ก็ดีพระบิดาของลูกก็ดีกระทําแล้วมีอยู่ด้วยบุญกุศลทั้งหมดนั้นขอให้ลูกจงเป็นผู้ไม่แก่ไม่ตาย พระนางมัสีจะทรงงดงามด้วยพระภูษาอย่างใดพระพุทธดีสัสุราชเทวีก็ทรงจัดพระภูษาอย่างนั้นคือพระภูษากับปาสิกพัทโกสัยพัทโหมาพัทและโกทุมพรพัฒทรงไปประทานแก่พระนางมสัสยีราชสุนิสาพระนางมัสีจะทรงงดงามด้วยเครื่องประดับอย่างใด พระพุทธดีสัส <te labeled> ุราเทวีก็ทรงจัดเครื่องประดับอย่างนั้นคือสร้อยพระสอทองคำสร้อยพระสนพรัตทรงไปประทานแก่พระนางมาสีราชสุนิสาพระนางมาสีจะทรงงดงามด้วยเครื่องประดับอย่างใดพระพุทธดีสัุราเทวีก็ทรงจัดเครื่องประดับอย่างนั้นคือพระวไลสาหรับประดับต้นพระพาหา กำไรข้อมือสายรัดพระองค์ฝังแก้วมณีตาเพชรทรงไปประทานแก่พระนางมาศีราชสุนิสาพระนางมาศีจะทรงงดงามด้วยเครื่องประดับอย่างใดพระผุ้ศีสัสุราชเทวีก็ทรงจัดเครื่องประดับอย่างนั้นคือดอกไม้ทองเครื่องประดับพรเมาลีเครื่องประดับพนราช และเครื่องประดับฝังแก้วมันีสีต่างๆกันทรงไปประทานแก่พระนางมาศีราชสุนิสาพระนางมาศีจะทรงงดงามด้วยเครื่องประดับอย่างใดพระพุทธดีสัจุราชเทวีก็ทรงจัดเครื่องประดับอย่างนั้นคือเครื่องประดับพระทันเครื่องประดับพระองังสาสไอิงเพชรฉลองพระบาท ทรงไปประทานแกพระนางมัสีราชสุนิสาเครื่องประดับที่พระนางพุฤสดีทรงไปประทานนั้นมีทั้งที่ต้องร้อยด้วยเชือกทั้งที่ไม่ต้องร้อยด้วยเชือกพระนางพุฤสดีทรงตรวจดูเครื่องประดับทรงเห็นที่ใดยังบกพร่องก็รับสั่งให้นำมาประดับเพิ่มเติมจนเต็มพระนางมัสีราชบุตรีทรงงดงามยิ่งนัก ดังนางเทพกัญญาในนันทนวันพระนางมาสีราชบุตรีทรงสงสนานพระเกศาแล้วทรงสเสวิตพัดประดับด้วยอาภรทั้งปวงทรงงดงามยิ่งนักดังนางเทพอับศรในดาวดึงพระนางมาสีราชบุตรีทรงมีพระโอสสมบูรณ์สเสด็จลีลาดงดงามดังต้นกล้วยอันเกิดในสวนจิตรดา ถูกลมรำเพยพัดไหวไปมาฉะนั้นพระนางมัสีราชบุตรีทรงมีพระโอเดแดงดังผลไทรสุกงดงามยิ่งนักปานดังกินนรีมีขนปีกงามวิจิตบินร่อนอยู่ในอากาศฉะนั้นเราพนักงานตกแต่งดรุณหัตถีมีไวยปานกลางอันเป็นช้างต้นตัวประเสรศิฐอดทนต่อหอกซัดและลูกศร มีงางอนงามดังงอนรถมีกําลังกล้าหาญเสร็จแล้วให้นำมาประเทียบเกยคอยรับพระนางมะสีเสด็จพระนางมะสีเสด็จขึ้นประทับบนหลังดลรุนหัตถีอันมีไวยปานกลางเป็นช้างต้นตัวประเสริฐอดทนต่อหอกซัดและลูกศรมีงางอนงามดังงอนรถมีกําลังกล้าหาญ เนื้อประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งปวงณเขาวงกฏนั้นเนื้อประมาณเท่านั้นไม่เบียดเบียนกันละกันด้วยเดชของพระเวสสันดรนกประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งปวงณเขาวงกฏนั้นนกประมาณเท่านั้นไม่เบียดเบียนกันละกันด้วยเดชของพระเวสสันดรเนื้อประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งปวงณเขาวงกฏนั้น เน <tang s> ื้อประมาณเท่านั้นมาประชุมในที่เดียวกันในเมื่อพระเวสสันดรผู้พดุงสีพีรัตให้เจริญจะเสด็จกลับนกประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งปวงณเขาวงกฎนั้นนกประมาณเท่านั้นมาประชุมในที่เดียวกันในเมื่อพระเวสสันดรผู้พดุงสีพีรัตให้เจริญจะเสด็จกลับ เนื้อประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งปวงณนะเขาวงกฏนั้นเนื้อประมาณเท่านั้นต่างพากันมีทุกข์เพราะจะต้องพลัดพรากจากพระเวสสันดรมิได้ส่งเสียงร้องอันไพเราะเหมือนการก่อนในเมื่อพระเวสสันดรผู้พดุงสีพีรัดให้เจริญจะเสด็จกลับนกประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งปวงณนะเขาวงกฏนั้น นกประเมเท่านั้นต่างพากันมีทุกข์เพราะจะต้องพรัดพรากจากพระเวสสันดรมิได้ส่งเสียงร้องอันไพเราะเหมือนการก่อนในเมื่อพระเวสสันดรผู้พดุงสีพีรัตให้เจริญจะเสด็จกลับราชวิถีที่จะเสด็จพระราชดำเนินนั้นประชาราชช่วยกันตกแต่งราบรื่นงามวิจิตรโปรยปลายด้วยดอกไม้ตั้งแต่เขาวงกฏ ที่พระเวสสันดรราชประทับอยู่ตราบเท่าถึงพระนครเชตุดรลำดับนั้นเราอมมาสหาชาติโยธาหารทั้งหกหมื่นแต่งเครื่องพร้อมศัพท์งามสง่าหน้าดูพากันตามเสด็จแวดล้อมโดยรอบในเมื่อพระเวสสันดรผู้พดุงสีพีรัตให้เจริญเสด็จกลับพระนครนางสนมกำนันใน พระกุมารที่เป็นพระประรยชน์และบุตรอมาตพวกพ่อค้าและพราหม์ทั้งหลายพากันตามเสด็จแวดล้อมโดยรอบในเมื่อพระเวสสันดรผู้พดุงสีพีรัตให้เจริญเสด็จกลับพระนครกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถกองพลเดินเท้าพากันตามเสด็จแวดล้อมโดยรอบ ในเมื่อพระเวสสันดรผู้พดุงสีพีรัตให้เจริญสเสด็จกลับพระนครชาวชนบทและชาวนิคมพร้อมใจกันมาประชุมแวดล้อมโดยรอบในเมื่อพระเวศสันดรผู้พดุงศีพีรัตให้เจริญสเสด็จกลับพระนครเราโยธาสวมหมวกสวมเกราะหนังถือธนูถือโลดดั้งเดินนำหน้า ในเมื่อพระเวสสันดรผู้ผดุงสีพีรัตให้เจริญสเสด็จกลับพระนคกรกษัตริ์ทั้งหกพระองค์นั้นสเสด็จเข้าสู่พระนครอันน่ารื่นรมมีปั้มปราการและทวารเป็นอันมากบริบูรณ์ด้วยข้าวน้าบริบูรณ์ด้วยการฟ้อนราขับร้องทั้งสองอย่างชาวชนบทและชาวนิคมต่างชื่นชมยินดีมาประชุมพร้อมกัน ในเมื่อพระเวสสันดรผู้พดุงสีพีรัตให้เจริญสเสด็จมาถึงเมื่อพระมหาสัตว์ผู้พระราชทานทรัพย์สมบัติสเสด็จมาถึงแล้วชาวชนบทและชาวนิคมต่างเปลื้องผ้าโพกออกโบกสะบัดอยู่ไปมาพระองค์รับสั่งให้นำกลองนันทเพรีไปตีประกาศในพระนคร รับสั่งให้ประกาศการปลดปล่อยสัตว์ทั้งหลายจากเครื่องจองจำขณะเมื่อพระเวสสันดรผู้ประดุงศีพีรัตให้เจริญเสด็จเข้าพระนครแล้วท้าวสักกะเทวราชทรงบรรดานฝนทองคำให้ตกลงในขณะนั้นลำดับนั้นพระเวสสันดรปรงมกษัตริ์ผู้มีพระปัญญาทรงบำเพ็ญทานแล้วครั้นสวรรคต พระองค์ก็ได้เสด็จเข้าถึงสวรรค์ชนีแหลนครกันจบมหาเวสันดรชาดกที่สิบจบมหานิบาตชาดกจบ